สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ลำคาญ น, นิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้ายาวกระสุดเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาวันนี้ก็ได้ว่ามา่อตอกลางวันมีญาติโยมพระตระษัทถามเรื่องกรรมฐ า, านก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถะภาวนาคือการเจริญกรรมฐ า, านกหมายถึงการทําสมาธิสมาธกิก็มีหลายขั้น ขั้นี่หน้นเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิเป็นสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอวนาวสมาธิสมาธิขั้นชาญขึ้นไปแล้ขั้นชานก็มีชันที่หนึ่งี่สองที่สามทสเป็นรูปประชันแล้วก็รูปประชันมี่สี่รวมทั้งหมดทั้งรูปประชันสี่รูปประชัน4ี่เป็น8 แต่ว่าสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสำคัญคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคำว่าสมาธิจริงๆบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตะทาคตนำมาสอนไม่ได้นำอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นำมารวมสอนเพื่อเกิดด้านกุศลนั่นเอง ต่ค ว, วามจริงสมาธิทุกคนเัามีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิประวาการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทำงานตั้งใจพูดตั้งใจทำอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธินั้ น, น, นไม่อยู่ในได้เขาอกุศลถ้าเป็นในได้นของอกุศลเขาเรียกมิชาสมาธิถ้าทำมาในได้ขเขาศลเรียกสัมมาสมาธิ คำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะนำคัญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิถ้าแปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่แน่นอนนะักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานสติสติกรณ์คำว่าอานาปานสติก็คือลมให้ใจเข้าออก ให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตขบรรดาญาติโยมพระตุภิชษทุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้ายังรู้ลมให้ใจออกเวลาดั้นไม่มีรมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั่งเชื่อวจิตกุศลสมาธินานาปานุสติ ในการทรงสมาธิในขั้นต้นที่จะว่าคณิก า, าสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือภาวนาร่วมมันก็สามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักปเดี๋ยวเดีย ว, ยวนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมากอารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อืน่นคิดเรื่องนอกจากคาภาวนานอกจากรู้ให้ใจเขาออกเลยไป ถ้าเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปความนึกขึ้มาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานนักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้เรียกว่าการนิ迦สมาธิเอธว่ากระทึงอนลิสงถ้าบรรดาญาโยมบริษัททําสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้คือการรู้ลง ใ, ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทําบ่อยๆทําจนชิน แล้วก็สงไม่ได้นนอนอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนีปริชาติไปไหนมาที่นี่น่าคุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนจะบอกอารมณ์ของขณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นานางฟ้าได้คืออาจจะเป็นเทวดาขั้นพุมธเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่ ประโลมความว่าถ้าญาติโยมเขาจะมีบริษัทส่งอารมณ์ได้แค่คณิะสมาธิอย่างกับเรารู้ลงให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและในิยมในการใช้ก็คือพุโทโธเพราะว่าในที่นี้ไม่บังคับรลมการภาวนาญาติโยมนะใครภาวนาอย่างไหนเคร่งใช้ได้หมดแต่ว่าทางาฝึกใหม่ๆในตอ น, น, นแรกเขาใช้คําว่าพุโทโธ คำพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจพระดาญย่าโยพระธบริษัททรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึ ก, กว่าโธแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจะออกไม่ต้องแบบต้องทําแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจ แต่บางทีลมไม่ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมไม่ใจที่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายก็พอยใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายามาหายใจเบาหรือหนักก็ตามปล่อยแต่อาจิตเขาไปรับทราบถ้าท่านจานานนาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตาย กำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุะทูตเท่านี้เป็นแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทาบา ป, ปรามากแสนมากเว้นไว้แต่อนาตนาเรียกรรมข <c oughs> ้ามานาียกรรมเป็นบาปหนักเช่น <c oughs> ทําพรุษเจ้าให้หอโรหิตทําสงให้แตกกันฆ่าพระหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสังฆเพื่อเกล้าทำสงใหแตกกันนี้ตน้นถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้ เียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างไหมภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาเพราะว่าภาวนาว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกแต่ว่าคุ้เกันแค่ชาติเดียวชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงด้ยกันตัวอย่างที่เรียเรีนอาวาสพวกเราญยาติโยมพุทธกข์สัท์นี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธพอดี ถ้าเห็นพระพุทธรูป่าตามทุกคนมีความเคารพสำหักคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยตั้งใจให้ท่านช่วยให้พ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบายเพราะว่าป่วยหนักใครๆก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอมรักษารัพย์สินมีก็เป็นรูปมหาเศรษฐีซับขิงเคลือพ่อแม่ก็ใช้ได้รัพย์ ไม่กลา้ยาซื้อยาจากตลาดเพร่อเปลี่าจะแพงไม่กล้าหาหมอเกลงจะนิ่งชเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกล่กมถึงบ้าพ่อก็ดีแม่ ก, ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูนี้เขาไม่ได้รับถือพุทธศาสนา ท, ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมือง น, นั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกไปว้แต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามาก เขาก็นึกว่าคนเขาเลอกันว่าพระสมณะโคด ม, มใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยนะหนักคอยพระสมณะโคดมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจา้าแตไ่ไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอื่นึงตายไปนเวลานั้นพอดีวราสถานการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ม่จะบญน้อยนิดเดียว ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสธีบนโลกมีวิมานทองคาไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคำว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทรรคำล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> ม, าามีนาวมมตกุนลรีเทพบุตรเมันพูดมาถึงตอนนี้ขอพูดต่ อ, อหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังม า, มากเลยนะ ม, มือยัง ก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปกนึกอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เวลาตอนเติมใหม่ๆล้านหน้าเสร็จ ก, ก่อนบริโภคอาหารก็ไปเยนีปากหลุมหลบหลุมปากหลุมศดที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมาตยกุณลีที่บุตรเป็นลูกชายอยู่ที่บนวีมาน ก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวด า, ามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีตังหูเกลียงเป็นทองเกลียงพอ่อัสบนอะไรก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริวรสัจดาไม่เคยมีความครบรมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหวแต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบาย ถ้าสสยเพียงเท่านี้เป็นบุญประเหตุให้เกิดปีิดวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยนร้องไห้ยที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเราเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กล้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้าหาหมอสากเกีกับโทรัพย์สินจะหมด เวลานี้เมื่ตายก็มาคงคนงทางให้เรากลับต้องไปพอ ร, รมาณพ่อเธอยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอก็ยืนร้องไห้บั่งพ่อร้องไห้ตีก็ร้องไห้แต่ท่านดูเท่าเห็นคนชายหน่มร้องไห้กราสงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มัร้องไห้ถึงใครก็เข้าไปถามถามว่าโพบริสสะบูรุกรบุบ้เจริณ เคยร้องไห้เพราะเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านผู้เฒ่าว่าท่านร้องไห้เพราะอะไรท่านผู้เฒ่าสมหารเศรษฐีก็บอกว่าร้องไห้ทุกถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำหนึ่งคัน <c oughs> สวยงามมากยังหารอไม่ได้อยากจะได้ล้อท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายค้ายลูกของเรา เราได้ไว้เป็นลูกบุธรรมอยู่ทําให้เราใจสบายใจมากจึงแถมว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อธงคำยิ่งล้อแก้วมันีจะหาให้แม่ทุนบันดีด้วยบุญสบัติเลไกใจใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แ่สยาก็ไม่กล้าซื้อครัวเสียเงินนี่รูแปลงกายคล้ายๆลูกคนเก่ากับเสสระแม้แต่ล้อธงคำและล้อแก้วมันี เออยิงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อขัานขานล้วล้อทีแต่พราม์ฟังแล้วก็ตกก็โกรธคุณพ่อเบอกว่าใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไ อ, อคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็น ล, อล้อรถ เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ครามณ์ก็บอกฉันไม่เห็นเอ้ยก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนี่ใครมันบ้ามากันใช่ไเอยจบจบยังยังไม่จบเขาเ ล, ล่าร้านับเวลามีน้อยหรือว่าจะไม่มีประสบนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่ในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมาจา ก, กุณาลีที่โดดทิ้งลูกชาย เวลานี้ไปเกิดปิติวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้พระบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมณโขดมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก่อนจะตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใสบาทไม่เคยฟังเทศทําไมจ ะ, จะมีบุญเธอก็ยืยนยันดอกแค่นึกถึงต้องการรักษาโรค ก, ก็เป็นเทวดาได้ ยิงแนะนําพ่อมาว่านับตนบนักนี้จนไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจ้าคือพระสมณโคโดมกับพระสาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตรอริย <c oughs> สุดเทวก็ลากลับไปเป็นธรรดาเทวกกลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทำกับข้าวมากหูงข้าวมากๆว่า น, นี้ น, นี้จะเลี้ยงพระสมณโคโดมพระสาวก ในที่สุดพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าคํำภาษาคำว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไม่หาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนจะมีสองพวกพวกเดิมของเขาที่นับถือพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะดูพราหมคนนี้ไปย่ำยีพระสัมมาโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสัมมาโครมพระพุทธเจ้า แดงธรรมทร ม, มานพรามคนนี้เขาเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไป ด, ดูไปไปตามพรามงนั้นก็เป็นคนสองพวกด้ยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ถามว่าพระสมณโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดนการไม่ทรมนะ <c oughs> ถามว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่าน คนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่ น, นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> แล้วพระเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ตถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ช น, นะพระนภาผน้ัมมืนมาเป็นกดโกรธ แล้ท่านก็ บ, บอกว่าเมืตอนเชา้าได้พรามไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรยเป็มาสัตย์ได้ก็ทรงนึกถึงมัตตากุณลีเทพบุตรว่าขอยมัตตากุณลีเทพบุตรจงมาพร้อมบีมานเรียกนะไม่ใช่นนี้ก็เรียกเอาชี้ใเรียกให้ทุกคนได้ยินว่าเวลานี้มัตตากุณลีเทพบุตรอยู่อยู่ท่านดาวดิงจงมาที่นี่พร้อมบีมานก็ปรากฏเวลานั้นมัตตากุณลีเทพบุตร มีมาคือมัตตกุณาลีเที่บุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระทศพลมัตตกรุณาลีเทียบุต ก, ก็ลงจากวิมานมาไหวพระเจา้าเมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเทีบแก้วก็ส่งเทศมาเทศจบตากวามัตตกรุณาลีเทบุตรเป็นประโสดาบัน <c oughs> รามพ่อก็เป็นประโสดาบันคนที่ไปยินฟังเราสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันไปน็นมาก ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพุทธบริษัทจะเป็นกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเดกน้อยแต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรู้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างมัตตานลีเทศบุตรที่เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแหลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรู้ลมให้ใจเขาออก ถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าท่านณที่ป่วยใหม่ๆซึ่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามเพราะว่ า, าการชิงเรื่องการภาวนาก็ตามนึกถึงคำบัพบพุทโธและลมหายใจเขาออกด้วยความเคารพในความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเป็นคราวนั้นเขาญาติโยมพองบริษัทจะไม่ไฟในรถ นีก็ถือว่าเป็นผลของขณิกสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อยางเม่ได้กลืนเท่าบทน่ะเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์เช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันนี่งลงคาวสมาธิในตอนต้นเลี้ยวขณิกสมาธิแม้จะทำได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าพงท้อใจ ก็มีหลายท่านบอกว่าจิตงสงบไม่พอท้อใจเลยเกินความทีไม่น่าจะท้อเพราะการเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา <c oughs> ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคําว่าอุปจารสมาธิเนีแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาจะยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจ เวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแลกว้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายภาจในการเจริญภาวนายานิ้ทีรียปีติรูปจารสมาธิพอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการของปีติมีห้าอย่างพันญาติโยมถามขอเรื่องนี้มาพูดเัืความเข้าใจอาการของปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งค้นพองสยองเกล้า เวลาที่นั่งภาวนาไปมีคนลุกสูส้สตร์าสตร์ลุกคนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการนี้สองน้ําตาไหลภาวานาไปแล้วดีใจไดก็ตามขณะที่เจริญทั้กรรมฐามนทั้งก่องนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็ไหลแล้วบางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ําตาก็ไหลที่บางวันนี้มีคำถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาไหลเพราะอาการของปีติอาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขนาดโยกขรังสจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะอาการที่สีปีติที่สมีอาการเต้นเหมืนปุกพระแล้บางทีตัวลอยห <Ừ. sigu S 2> ัวกาศอาการที่ห้ามีจิตสับสนรู้สึกเศร้าซ่ากายเบาอันดับแรกยกซึ่งรูหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น แล้วต่อไปจะเหมือนลมเรี่ยวเรี่ยวไหลออกจากกายในสุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกมีหัวแต่หัวมันใหญ่แต่ใจสบายสุดอันนี้แปลงกายครับปีติที่ห้ารวมความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาลไหลสามร่างกายโยกโคลงสีตัวลอยอากาศและเต้นปั๊บปๆ๊บั๊ตามถ้ามีอาการยชาสั้นทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น หล้อยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะทิ้งฌานไม่เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคงกว่านานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปที่จิตสงบมีการเลื่งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเื้องต้นเข้าทิ้งฌาน ถ้าจิตยังเข้าถึงฌานนี่ไม่เข้าถึงฌานให้สังเกตตาม น, นี้ถ้าบรรฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเรื่องสบายมีอารมณ์สุขตาหูของคนทุกคนในบรรดา้ ย, ย, าย่าโยงจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเละกรรมเสียงสนั่งเขาเสียงอะไรทั้งหมดทีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่ลำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าหาก ว, ว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกยังมีอย่างรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทธรภานาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจเจาเบาวกว่าปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากำลังใจเข้าถึงฌานที่สองตอนนี้ ถ้าวากับถึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยมจะํำคานแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาน่ชาญที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติ 4, สีุ่ขห้าเอกคตาเป็นบารีหมดรู้เรื่องไหมเขารู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกปรึก นึกสองใจคัดไตรตรองสมปีติมีความอิ่ใจสี่สุขมีความสุขเยอกเย็นมากหเอกตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือด้หมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าท่านลมอารมณ์จับลมไว้ใจเข้าออกก็ดีขภาวนาก็ต า, ามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบกวนขนาดไหนก็ต า, ามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้อาการเ้นฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนั้นเหลือองค์สามเหลือปีติสุเอกราตาวิตกวิจารณ์หายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารณ์คือตรองนี้ถ้าอ่านหนัสืไม่ค่อยหัใจอาตจมาอ่านหนังสืมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศโดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นถ้าบอกฌานที่สองตับนี่ตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคลียร์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคำว่าตัดนี้ตกตวิจัยหม้ยว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกรูปีตอตัวนี้หายไปเลยกล่าวความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเรภาวนาจริงจิงแตแค่ยังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งและต่างลงมานี้ภาวนา พอเริ่านสองปั๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีรมสูงกว่าอิ่มอิมอมเกือบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชาในหนึ่งมากถ้าถึงชาในสองใหม่ๆพอสักวันเดียวหนึ่งชาในชาในสองเคลื่อนตัวคลายตัวลมมาถึงชาในหนึ่งคดิตกใจนึกเอ๊ะนีะ่กูหลับไปตั้งหว่หวาดจลืมบากร้อ ย, ยุ่งหมด ภาวนาพะพุทธองคภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแม่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็อะไรไอ้หน้านหนการนั่นคือขึ้นมาถึงานที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเออบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดีพอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปแล้วท่าสุขกับเอกับตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทั้งได้านพบาศรร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามจะมีความรู้สึกเหมือนร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรง็งนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดเปน็นแน่นๆจะไม่มีการไหว แล้วกำลังใจทางหูนินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป็นไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้เป็การขนานดิษฐานอาการขชาในดิษีดิษี 4, ก็ตัดสุดทิ้งไปโดยเ อ, าาอยกรตาไอเดกตาเอกตาคืออารมณ์อันหนึ่งอารมณ์อันเดีวยวเพิ่มอุเบกขาเข้ามาอาการขนานดิษีที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างลสามขั้นนะ เวลามันน้อยกายกายพระอาจารนชานิสีของเขาทุกขเขาพูดสองขั้นตามอันตางอันดับขุนชานถ้าการขุนชานิสียังหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกมันมีลมหายใจเข้าออกเพราะเราไใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงในน้อยขยายเสียงในขนาดเยาเสียงตั้งในใกล้ดัง จ, จัด อากได้ยินเสียงก็ใหญ่เสียงแว่วๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชานิสีละเอีกกอยดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแล้วก็ไม่รู้ลงให้ใจก็ออกมีเหมืนก็เราไม่ให้ใจก็ออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโห ย, ยิงลับนะตอนสมัยชั้นฝึกใหม่มีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบส พอถึงขันนี้ท่านอมวพื้นยันก็ตีนพระบานเลยบอกขอเลิกเลยครับผมกลัวตายนไม่ให้ใจแล้วครับพอตอนชาล้วปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันคือ ว, ว่าคควดีไอคนกลัวดีหายากนี่ขอญาติาติโ ย, ยมเพื่อบริสัทธเข้าใจอาการของชายเขาสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะัะเลหลือเวลาสามนาทีขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทําได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้หลวงพ่ใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาวันพุธโธนี้ต่อเดี๋ยวก็หายไปทีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกพอรู้ตัวสิทธตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีประสงค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดิ้งได้ยังไม่ได้คนรีแคบหมดนะกระบวนการในสองถ้าเข้าถึงอุปจาระาสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติถ้าไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านได้มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าเท่านกะสมาธิอาจจะใช้เวลาสามนาทีสีนาทีห้านาทีก็ได้แตไม่หนยนักถ้าจิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดปเิวดาชั้นไหนในหะทชานให้เลือกก็าตามชอบใจาำรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงเหลือหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงสีเต้นมันปลุกพระหรือตอนโบลอยบวกอากาศห้ามีอาการราบซ่าน อาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยมพรทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนระฟองทีย้อนก้าวเก็ช่างมันมันตายอย่างไรก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุขแล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปกด้สังเกตอารมณ์คุณฌาน้าฌานที่ห น, นหูจะไม่รําคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจยินเลการชุ่มชืน่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชาในสองไปภาวนาหายเองนะไม่ใช่เราเิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชานสามความชุ่มชื่นเออบอิ่นจะหายไปมีกลเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป้งเรียกว่าดิก็ไม่สรรัตว่าชาได้ใช้ได้สรรัตว์ โอ้โหจะดีเสียงที่ดังๆังดินเสียงน้อยลงมีการไม่ขึ้นไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการเ้นฌานที่สีจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจความจริงลมหายใจมีตัมโมติแต่บัญชาจับจิตแยกกันเด็กขาดการเคลื่อนไหวการหาก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สี่แล้วก็ จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วาตาโยมตอนนี้ไปาาพระนดาญาติโยมพุทธวิสพนหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานประสมาทาน